เทศอบรมพระวันที่สี่มกราคม 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เทศถึงที่สุดดีมากครั้งพุทการท่านบวชแล้วเที่ยวแสวงหาธรรมไม่เที่ยวแ็ดเตรดดูบ้านดูเมืองดูสถานที่นั่นที่นี่อันเป็นเรื่องของโลก เพื่อความรู้แจ้งในธรรมจงปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรจริงๆมีกรรมฐานห้าเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นปัญญาจะขยายตัวไปเองโดยลำดับจงรู้แจ้งตลอดทั่วถึงนี่เทศเรียงลำดับจนถึงที่สุดของจิตธรรมเทศกันนี้อัดให้ครวาดได้และครวาดฟังได้ เทศถึงหน้าบีเล็กน้อยไม่มีพูดต่อและเทศต่ออีกในั้งพุทธะในั้างพุทธการบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้รับพระอุาทจากพระพุทธเจ้าแล้วทรงเสา ะ, ะแสงหาธรรมจะอยู่กับที่ก็าตาม จะไปที่ใดก็าตามมีการเกาะแสวงหาธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าการเที่ยวตีวเ๋เร่ร่อนไปต่างๆหาหตหาผลหากดเกณฑ์ไม่ได้เที่ยวดูบ้าน<ม>ดูเมืองดูสถานที่นั่นที่นี่ดูวัตถุนิยมเปิดหวเปิดตา มันเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของธรรมผู้ปฏิบัติจึงควรหนักแน่นในเรื่องธรรมอย่าอามิสัยคารวาสที่เคยชอบเที่ยวสอกแฟกที่นั่นที่นี่ไม่มีขอบเจตเหตุผลมาใช้อันเป็นการทําลายตัวในเพศแห่งสมณะ หลักฐานยืนยัในในครั้งพุทธกาลมีเป็นที่มั่นเหมาะในใจเดือดเกิดในบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรียกว่าสาวกประวัติคือประวัติของสาวกนั่นหละท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านดำเนินอย่างนั้นท่านมาเลเที่ยวเร่เร่รร อ, นอนไปที่ั่นทีมี และสนใจกับการสั่งสอนญาติโยมสนใจกับ้งสนใจกับหน้าที่การงานนชื่อเสียงเยีศัพท์กิริคุณอะไรเสกสรรกันไปแบบมาบ้าบอๆมันไม่ถูกมันขัดกับหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องแก้กิเล็กสิ่งที่พาให้วุ่นวาอยอยู่ีไม่ถอย จงใจกับธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดาการออกไปข้อเกือ่อไปเที่ยวหาวิเวคคือสถานที่สงัดงบเงียบปราศจากผู้คนหรือสิ่งก่อควรต่างๆรบควรต่างๆในบำเพ็ญสมณะธรรมด้วยความสะดวกสบาย เมื่อมีข้อข้องใจใดก็ถามผู้เพื่อนหรครูอาจารย์ในครั้งพุทธกาลเมื่อมีข้อข้องใจบรรดาสามโกมาทูลถามพระพุทธเจา้ามีเป็นประเพณีที่ท่านผู้สมนักสงผลจนล่ำลือโลกมาเป็นเวลานานถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านดำเนินอย่างนั้น เราจึงควรอย่างยิ่งที่จะริถถันหลักปฏิปทาของท่านมาเป็นเครื่องกาจับกันกำจัดกิเลสโดยบังคับจิตใจให้เป็นไปตามแนวปฏิปทาของท่านซึ่งเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วเรียกว่าสุปฏิปนุปชุญญาสารมีสุปฏิปนุปหรือปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นอัดเป็นธรรมก็ดีเท่านั้น การปฏิบัติเพื่อแก้ที่เหตุดีทั้งนั้นจงก็จงต่อเหตุต่อผลต่อธรรมไม่มีเอ็นมีเอียงไปทางโลกาณิญาญะปฏิบัติเพว่ความรู้แจ้งเห็นจิตในความจิตทั้งหลายอินจิตทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลสามเมจีว่าปฏิบัติชอบ เป็นที่มาแห่งความย่อสายปฏิบัติจงควรแก่ธรรมเนียลงในจุดเดียวปันนี้เท่านั้นแต่ท่านแยกขยายไปเราผู้ปฏิบัติพึงคำหนึ่งด้วยดีหลักธรรมเหล่านี้อย่าให้ปิดแวกให้ยึดเสมอผสมกับคำว่าสังคังฉั น, นังกระชามทีสาวอกทั้งหลายคือพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเป็น ฐานาของเราทั้งคำาสดงกระชัมท่านเป็นฐานะได้อย่างไรดูปฏิปทาของท่านเลงนั้นเสมอยาวนิสัยของที่เป็นคารวะมาใช้เลยวงของศาสนาแล้วงของพระพิธของพระเราจะเป็นการทำลายถ้เาเราไม่ใช่คาวาะจิตใจของเรามีความมุ่งหวังต่ออัตอตธรรม และเดนราเพศของคารวะแบบของคาราะทั้งหลายมาแล้วมาเป็นพระเป็นเพศของพระปฏิบัติตามแบบของพระผู้ตั้งใจจะถอดถอนกิเลสออกจากใจด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นช้ามีกี่ปัปิจัยหนึ่ ให้มีเหตุมีผลมีหลักใจอย่าเอาความอยากเข้ามาเป็นเครื่องถุดลากอย่าหลงความอยากนั้นว่าเป็นตนว่าเป็นอัดเป็นธรรมความอยากส่วนมากเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นรือคนมายาของพี่คิดจะไปที่หนักคีดจะไปเจียวทีมหาเรื่องยุ่งกับตัวเองเปล่า ไม่เกิดประโยชน์อะไรตัวไหนตัวมันอยากไปนั่นถ้าเป็นนักปฏิบัติมันอยากอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันอยากอยู่ที่ดวงใจหรือหัวใจนั้นจะอยากอยู่ที่ตรงไหนคนตายแล้วไม่มีอยากมันอยากอยู่ที่ดวงใจหัวใจเหตุใดมันจึงอยากเพราะสิ่งที่สิ่งบกพร่องมีอยู่ภายในได้แตกิเลสหลายประเภทตั้งอยู่ภายในจิตใจนั้นนั่นแหละ ตัวหิหวโหยตัวไม่มีเมืองพอถักดันจิตใจออกมาให้อยากอยากไม่เคารเรื่องของเ า, าอยากตามแนวทางของหมันคืออยากตามแนวทางของกิเลสไม่ใช่อยากตามแนวทางของธรรมถ้าอยากตามแนวทางของธรรมไม่เรียกว่ากิเลสอาสวะไม่เรียกว่าเป็นปัญหาเป็นมรรคแยกออกมาเป็นมรรค เช่นอยากพ้นทุกมีความอยากเป็นกําลังหรือมีความอยากมากเพียงไงความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามบึกบืนยิ่งมีมากเข้าไปโดยลำดับกำลั ง, ง, งความอยากประเภทนี้เรียกว่าความอยากที่เป็นมากมากขับปฏิปทาแต่คนที่เข้าใจผิดในแง่นี้มีอยู่มากอยากไปนิพพานก็เป็นตัญหา หาเรื่องบ้าอะไรก็มีแต่คนตายเท่านั้นที่ไม่อยากอะไรคนอยากดีจะเป็นปัญหามัแล้วจะดีได้ยังไงเมื่อมันเป็นตัญหาแล้วอยากปัญหาให้ละปัญหาหัองฟังดิความอยากคือตัญหาเวลาอยากไปนิพพานก็อยากเมื่อถึงนิพพานแล้วให้ละความอยากให้ละความอยากบังคับให้ละความอยากความอยากไปนิพพาน ความอยากหลุดพ้นจากทุกข์นั่นคือเป็นความคิดความนำดีชอบแล้วเป็นความเห็นที่ชอบแล้วเนี่ยเป็นมัจจุอยู่แล้วการดำเนินตามความอยากนั้นก็เป็นมัจจิมาปฏิบาัตาิอันถูกต้องดีงามอีกแล้วนี่ละเรื่องของมัจยาพ้นทุกข์อันเป็นหลักสาคัญเรียกว่าเป็นน ไม่ใช่เป็นกิเลสเจตสิกธรรมคิดปรุงขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงขึ้นจะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนกิเลสให้หนักมากขึ้นโดยให้มีมากขึ้นเดยลำดัแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมนีแล้วจะเป็นมาก อันแรกนั้นเป็นสมุทัทยเครื่องส่งเสริมทกิเลสผลกิเลสขึ้นมาเพิ่มทูนเรื่อยๆความอยากอันหลังด้วยความคิดอันหลังที่เป็นปรั ป, ปักต่อกันกับเรื่องที่เลดนั้นเรียกว่ามรรคการใช้มรรคการดําเนินมรรคไม่ใช้สังขารเราจะ อ, าอะไรมาตายความคิดความตุ่มปัรดาก็าออกจากความคิดความตุ่ม เป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้ปัญญาเพราะเป็นเรื่องสมมติสติซึ่งอยู่ในวงสมมุตินี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้ให้เจริญขึ้นได้เสื่อมดมก็ได้ทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิมีความเจริญได้เสื่อมได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสมเพราะเป็นสมมุติคำว่าสมมุติหนี ย่อมเป็นของมม่คงเส้นค ง, ง, งวาได้เหมือนวิมุตต์พยายามใช้สังขารเป็นเป็นฝ่ายมากปราบสังขารอันเป็นฝ่ายสูงไทยซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้ให้ได้ชัยชนะและความแ ย, ยบคายไปโดยลำดัแบจบะแสมชื่อสมนามมาก เป็นผู้มา อ, อุดมศึกษาพระความเฉนั้นฉลาดและถอดถอนตนออกจากสิ่งที่เป็นภัยตามหน้าธรรมที่ท่านตามมั้มิไว้แล้วอกิเลศไม่เคยให้คุณเกิดผู้นผู้ใดเลยแต่ไหนแต่ลรม า, ม, มากมีมากหรน้อยย่อมเป็นเพื่อนก่อควรเสมอไปยังต้องให้ละเมื่อละได้มากหรน้อยความสุขความสบายความเบาใจก็มีมากขึ้นละได้เสียโดยสิ่งเชิงไม่มีอะไรกวนใจเลย หมดสิ่งควนใจนั่นเราจะเห็นได้ชัดๆว่าพิเลศคือสิ่งควรใจโดยแท้มีมากมีน้อยควรตามมากตามน้อยตามที่มีหมดไม่มีอะไรเหลือเลยกิเรศภายนใน จ, จิตใจแน่นอนไม่นมมแล้วไม่มีอะไรควรใจเลยนัตถีสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ได้ในธรรมสุกยอดนี้ด้วย หมาว่าแต่ความสงบมาโดยลําดับทางขั้นสมาธิเลยความสงบราบคาบเพราะปราบกิเลสให้ขึ้นซากไปจากแต่แล้วนี้เป็นสันติธรรมเป็นความสงบอันยอดเยีย่ยมเป็นความสงบอันสมบูรณ์มิจึงเห็นได้ชัดตรงนี้เมื่อกิเลสขึ้นซากไปโดยไม่มีเหลือแล้ว เป็นสันติธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดกวรใดเมีแต่ขันห้า ด, ดิบกยยบตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นพอถึงการเวลาแล้วมันก็ผ่านมันไปเข็น mm hmm. ตายสทายก็เรื่องของขันของท่าไม่ใช่เรื่องของนิม้มตคือความหุดท้นความบรสุทิ์เท่นั้นตายหรือจะไหลไปเพราะฉะนั้นพระัฒนาตนท่านจิติสไม่ยิ่งงสิการกับเรื่องความเป็นควา ม, มตายเพราะท่านเรียนรู้แล้วโดยหลักธรรมชาติ อย่างสมบูรณ์เราผู้นัปฏิบัติอย่าเล้งผู้อื่นผู้ใดให้นอกเหนือไปจากพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์เคยแสดงเสงเมอมัเมื่อท่านทั้งหลายะเกิดความขัดข้อง ยุ่เหยิงวุ่นวายอยู่ในสถานที่ใดหรือสังคมไหนก็ตนะ่นงสังคมก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์สถานที่ใดหมายถึงสถานที่ทําความภาคเพียรในสถานที่ในบ้านในป่าในตลาดร้านใดใดก็นแน่แต่อย่าถือผู้ใดเป็นสถาะอย่าถือผู้ใดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องทดสอบเนี่นี่ถือเราตถาคตกับธรรมกับพระสงฆ์เป็นเครื่องทดสอบ เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องยึดเพิ่งเป็นพึ่งตายเธอทั้งหลายจะไม่ค่าท่าเสียทีกับเหตุการณ์นั่นนํานี่มีอาจารย์มั่นทันเผยแสดงเสม อ, นนอนนแล้วบาลีก็มีดังสิเราอาศัยโลกแต่ไม่ยึดโลกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าเรื่องธรรมมีธรรมในใจเสมอ เราต่อเวลานี้เราต่อสู้กับกิเลสกิเลสต้องควรเราเสมอเราจะพรวนาหรือไม่พรวนากิเลสต้องควรอยู่วันย่างคำทุกเอยาบทไม่มียาบทใดที่กิเลสไม่ควรนอกจากเวลาหลับสนิททั้งนั้นจิดไม่ทำงานกิเลสก็ไม่ขัดดันออกมาให้ทำงานกิเลสก็สงบตัว นอกจากเวลาหลับสนิดตื่นเราตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่เรื่องของกิเลสลบกวดทั้งนั้น <c oughs> เมื่อมันลบ ก, กวดอยู่เช่นนี้เราจะผิดศาสตราอาวุธเรื่องแกะแก้ไขหรือปราบปรางกันใต้ด้วยวิธีเราจึงต้องสนใจมากในสิ่งนี้อย่าลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงในกานปฏิบัติแต่เถิดคำว่าพระพุทธเจ้าก็ิีพระธรรมก็พระสงฆ์ก็ีเอกรีภูตามปานาคโตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะสราบภายนกจิตของผู้เป็นนั่นแหละไม่สรากจากที่อื่นที่ใดไม่เป็นวัตถุไม่อยู่ที่นุกที่นี่อยู่ที่จิต บ, บริสุทธิ์ เอาให้ดีการภาวนาให้มีความเข้มแข็งต่อการพฤรติปฏิบัติเราทราบแล้วว่าเรารอบกับกิเลสกิเลสมันกวนเราดังที่ทูจะกินนั่นหลักการกวนของกิเลสก็คือเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นได้ชัดชว่ามีค่าศึกค่าศึกเข้ามาประจันนาเราประจันดาลกันต่อจิตใจอันดวงเดียวกันกับมรร ที่กำลังดำดิ่ปริสติปัญญาศรัทธาความเขียนขึ้นให้เห้นมากทุกระยะอยากทุรณท้ออจิตนอกเหนือไปจากการฝึกการทรมานนี้ไม่ได้เครื่องฝึกทรมานจิตใจก็เนื่องจากมรรคปฏิปทาตามแต่ท่านผู้ใดจะ มีอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแก้กิเลสได้นั่นท่านเรียกว่าธรรมคิดขึ้นมาคลิกขึ้นมาพลิกแปลงเปลีป่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมออย่าไปนอนจมอยู่เฉยด้ความนอนใจจะหาความเฉ่ยยฉลาดไม่ได้กิเลสมาก จิตใจก็ทุกข์มากการสุกทรมาร์นก็ลําบาก น, นีเหลือมีน้อยลงไปการสุกทรมานอย่างผ่าอย่างผลนอย่างผาโผลหรือโลดโผนโลดผลดผก็น้อยลงไปที่เหลือละเอียดลงไปโดยลําดับการฝุกทรมานตนก็ละเอียดลงไป แม้จะเหมือนกับน้ำซับน้ำคืนไหลยดินทั้งหน้าแรงหน้าแลง ห, หน้าผลก็ตามก็เป็นไปตามเรื่องของกี่ลสทิพาให้เป็นไปว่าหนักเบามากน้อนเพียงไรกิเลสประเภท น, น, นั้นนะั้นหนักกับทําเป็นเครื่องแก้ได้ดแก่สติปัญญาเป็นสําคัญ อ, อันนี้ก็ต้องเดินไปตามด้วยน้ำหนักผลให้พอๆกันไปแต่ยังไรสติปัญญา ต้องเหนือกว่าอยเสมอไม่เหนือกิเลสไม่ ห, หลุหลอยแต่หากว่ามันพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆเช่นเดียวกับเครื่องมือก่อสร้างสิ่งวัตถุต่างๆขึ้นมานเครื่องมือกับสิ่งนั้นต้องเหมาะสมกันพอดีกันมันถึงจะสร้างสิ่งนั้นให้สาเร็จไปได้ด้วยความสวยงามในมั่นคง เราไม่อยากเห็นหมู่เพื่อนเร่ร่อนรอยจับจับจดจดหาความกินจังไม่ได้ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราอยากพบอยากเห็นแต่ความเอากินออกจังตัณตาต่างตาสู้สมกับเราเป็นนักรบตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเป็นเป็จักรพรรดของเรา มีเป็นทางถอดถอนที่เลยโดยแท้ความหมอดแอร์ท้อถอยไม่ใช่ทางถอดถอนนอกจากความประราชัยท้ายแพ้อล่างอุดรูยหาชิ้นดีไม่ได้ใครต้องการที่ไหนกันคันมาแพ้แม้แต่เขาเล่นกีฬากีฬากันแท้ก็ยังรู้สึกเสียอกเสีย ใ, ใ, ใจมากมายระหว่างประเทศต่อประเทศเล่นกีฬานี้ยิ่งเสียใจมาก มันก็ทราบว่าเป็นความสมัครสมานผูกมาตรีจิตยื้นธนการเป็นความยืดเด่อยแต่ทำมันยิงต้องเสียใจเหมือนกับเรามีสมรรถภาพนั่นเองที่เกิดความเสียใจสู้เขาไม่ได้เราวอ้ยิ่สมรรถภาพมันมีความสามารถอ่อนอ่อนกว่าเขาทุกแี่ทุกหมุมต้องเสียใจมีการแท้ยิเรศ ก, ก็เหมือนกันเราไม่คิดเสียใจ แล้วเราจะมีทานชนะขีเล็กได้เลตองมีเหมือนกับถูกอาฆาตกันดี่อเลเพราะการถูกอาฆาตขกิเล็นี้เป็นมากอีกเหมือนกันัันไม่ใช่แบบโลกโลกถ้าถูกอาฆาตกันแล้วก็ยิ่งเป็นการสั่งสมหรือส่งเสริมขี้เล็กุิดขี้เล็ขึ้นมามากมายส่วนธรรมไม่เป็นเช่นนัน้นี่เราเคยเป็นแล้วเรา ได้เห็นได้ผลจากนี้เรียกว่าเป็นมากเราได้เคยพูดเสมอว่าจิตจบจิตเราจบทพอได้จิตเจริญขึ้นมาได้ที่แล้วทีนี้ฟัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายอาฆาตกันเหมือนกับอาฆาตจริงๆมันเป็นอยู่ในความรู้สึกของจิตนี้ยังเด่นชัดเลยอาคราวนี้เราชนะแล้วเรื่องความเสื่อมนั้น หากว่ายังจะเสื่อมอีกต่อไปนี่เราต้องตายซะก่อนจิตนี้ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเราไม่ตายจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมไปไม่ได้เพราเหตุใดเพราะกํากลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราไม่มีถอยเอาจนตายแล้วไม่ยอมปล่อยจิตใหส้ส่งไปที่ไหนอันจะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมดังที่เคยเป็นมาอีกเลยมันเด็กมันอาฆาตอย่างเดียวนี่หากว่าเรา เกิดความเครียดแช้นกับผู้หนึ่งผู้ใดถึงขนาดนี้แล้วยังไงเราก็รอไม่ได้อาจจะฆ่าคนตายคนในลักษณะเดียวกันนะคือที่เราเครียดแช้นเหมือนกันนั่นไม่น้อยกว่าห้าศพวันนึงอันถึงจะสมใจหะสมกับใจเราที่เคียดแช้นมากมีเวลาได้ที่ก็เหมือนในทางสมาธิภาวนาก็เป็นอย่างนั้นเหมนน คลาดพนงอย่างเต็มที่ตายก็ตายเธอเพยทีเดียวจิตมันเด็ดไม่มีอะไรที่จะโชคกระท่านหนึ่งะออะไรไม่ทนไปเธ อ, อะอ่ขาไม่ทนขาดไปอะไรไม่ทนขาดไปอันขึ้นชื่อว่าเวทนานี้เราได้พิจ า, นานรณาเป็มทีิกําลังของเราแล้วไม่เลยตายเวทนาทุกเวทนานี้ถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจับมันไปได้เราจะพิจารณาให้เห็นชัดเจนอยแบบนี้นี่ ถ้ามันเป็นอาฆาตมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นกิเลสยิ่งเหมอตรงไปหมาะยิ่งไปก็ตีปัญญาสรัทธาของเพียรยิ่งแก่ออากล้าขึ้นขึ้นมาเห็นผลประจักษ์นี่จะเรียกว่าเป็นกิเลสอะไรจะเป็นเรียกว่าเป็นอาฆาตเหมือนแบบโลกได้ยังไงันเป็นเรื่องของกําลังของมรรคกําลังของศรัทธาของวิริยะอืม ความภากเพียรความบึ้บืนความอดความทนความเป็นนักครบภัค่าที่เรศ เ, เป็นของไม่ดีทั้งตัวนี้ไม่ใช่แบบโลภๆเพราะงั้น เ, นเราจรึงไม่เรียกได้เลยว่าเป็นสมุ ท, ทัอยนี่จะเป็นที่เรศเป็นหาไม่เป็ดเราแน่ใจถ้าเป็นเป็นแล้วให้เห็นแล้ว กิเลสจะไม่หลุดรอยไปเลยถ้าเป็นกิเลสแล้วพ่อมันมันเพิ่มกิเลสกิเลสก็หลุดรอยไปนี่มันหลุดลอยไปเดิมดำนั่นลวจิตมันก็เสื่อมไม่ได้เลยว่าเป็นกิเลเพราะมันความระมัดระวังนี้เป็นยอดเดือดเนื่องจากความเสื่อมนั่นแหละเป็นครูอย่างหนึสอนเราให้เข็ดลาบทีเดียวเข็ดลามอย่างถึงใจขนาดเคียดแค้นขนาดผูกอาฆาตกันกิเลสกับทําอาฆาตกันต่าง ไม่ใช่เราเป็นอาฆาตผู้น่ผู้ใดและผลก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความอาฆาตเป็นสาเหตุหรือผลเป็นที่พื้กถึงคราเด็กมันต้องเด็กไม่เด็กไม่ได้จิตเรามันพลิกแาร ง, ง, งเปลี่ยนแปลงไปเง่ายนะให้ระมัดระวังถ้าจะกำหนด ให้จิตสงบด้วยบทบริกรรมก็ให้มีความจงใจกับบทธรรมนั้นๆันอย่าไปคาดผลหนึ่งอื่นใดทั้งทั้งสิ้นนอกจากงานของตนคือคำบริกรรมที่ซ้ำทานเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับสติมีสติเป็นผู้ควบคุมงานมีใจกับคำบริกรรมเป็นผู้ทำงานทำหนังนั้ น, น, นเวลาพิจารณาไม่ต้องเสียดายว่าจิเกิด เสียความสงบไปพิจรารณาเห็นชัดเจนมีสติจ่อลงไปโดยลำดับพิจารณาแง่ใดมุมใดอาการใดให้ความรู้นั้นเด่นเด่นเด่เด จ, ดจอจจดจ่อจอกตรงอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับสิ่งอื่นในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กําลังพิจรารณานั้นเท่านั้นสัมผัสกันเห็นกันอย่างชัดเจนเป็นอย่างนั้ น, น, นเรียกว่า น้ำมันหลายลงช่องเดียวมันมีกำลังมากความรู้มันลงในช่องเดียวไม่สาดแสดไปสู่ที่ไหนไหนแล้วย่อมมีกำลังมากเห็นได้อย่างชัดเจนความเห็นแจ้งเห็นจรินคนเห็นไ ด, ด้วยเดียวผิดกันอยู่มากมเคยพิจารณามาแล้วทั้งนั้นที่นำมาสอนทงเทีน่นอนตื่นขึ้นทามันจะโวกม่วงลื่นขึ้นต้องล้างหน้าเพื่อการความโ่กม่วง หา ก, กงวง่ า, งวงาวมันจะง้องง่วงนั่งภาวนาจะง่วงเศ้ามันจะง่วงหลุงเดินจงกลมเสียมีหลับใหญ่เทีนยนเอียบดทั้ทงพุทธการท่านยังมีนั่งภาวนาง้องง่วงมีพระองคง์ผมลืมชื่อท่านเสียท่านสําเร็จอรหันในคืนวันั้นด้วยนั่งภาวนามันง้องง่วงหลวงประเดินจงกรมมันง้องง่วง ลงไปในน้ำลงไปแค่ข่าแค่ขามันก็ยังมันก็ยังง่วงลงไปแค่คอฟังที่ตอนนั้นเขาเอาหญา้าชุบหน้ามาพอกทิศทางความง่วงมันจะไปมันจะอยู่ได้ไมมันก็แตกแม่แต่ลูกหี้หมดแล้วนี่คงเป็นขั้นอีกท่านละเอียดมากท่านที่นึ้สเม็จในคืนวันนะั้น อันนี้เป็นบุคคลประโยชแ์ขงการแย้ความง่วงของท่านเพราะความง่วงนี้เป็นเรื่องของขันพิจิตเยอยากแค่ไหนมันก็มีง่วงง่วงได้เหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าพระหัต์ไม่มีการง่วงง่วงท่านนีเหมือนกันเพราะเรื่องของธาตุของขันเมื่อมันอ่อนเพลียอยากจะพักมันก็ต้องมีการง่วง ง, ว ง, ง่วงนีององนอน่อย่างห่วงเหงาห้องนอนดับหลับเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราจะเอานี่ไปตี ความหมายบวกเข้ากับจิตทั้งท่านแล้วผิดทั้งเพศสุขภาพร่างกายมันก็เหมือนโลกทั่วไปไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยสำคัญที่จิต น, นั้นอะไรจะง่วงก็ง่วงเธอความบริสุทธิ์นั่นก็เป็นชาคารธรรมคือตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อันนี้เราก็พึ่งเข้าจจกพึงเข้าใจาสาหรับชาคาราชาครโอผู้ตื่นอยู่ ชาคัริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นตัในอพนณกกาปฏิบัติการปฏิบัติไม่ผิดคือการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทานแสดงไว้ชาคัิยานุโยคการประกอบความเพียรของผู้ต่นมีหมายถึงความเพียรนั่นห ม, มายถึงมีสติการประกอบความเพียรด้วยความมีสติจริงจังก็เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ สถิตสำพุทิความเพียรแต่พระอรหันต์นี่นอกสมมุตินี้ไปแล้วท่านผู้หลุดพ้นนี่แล้วท่านตื่นชาครับจิตชาคระถังคำ ว, ว่าชาคารตื่นอยู่นี่มันตื่นยังไงนาเราสงสัยอืแต่ก่อนสงสัยแลปป้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ๋อนี่ยมันเข้าใจเองเพราะความจริงนี่เหมือนกันท่านแปลออกมาว่าชาคาระพูดเป็นผู้ตื่นอยู่ พระอรหันต์ท่านตื่นท่านตื่นยังงเวลานอนท่านไม่หลับเลยว่าท่านทำามถึงตื่นนี่เมื่อเรายังไม่เข้าใจตามความจริงนั่นเต็มส่วนมันก็ต้องสงสัยแต่เมื่อเข้าใจถึงความจริงแห่งความบริสุทธิ์เต็ ม, มตส่วนแล้วชาคาโรนี่คืออะไรมันก็รู้เองนะฮะชาชาคาร้านี่หมายถึงความบริสุทธิ์ดลนวลนั่นเองตลอดเวลาไม่หลงสิ่งที่มาหลอกหลอนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยว่ารับว่าตื่น ขึ้นที่ว่าสมมุติคำหลอกร้อนก็เป็นเรื่องของสมมติก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเข้ากันมาได้คริาาตรงนั้นชาตระจริงเป็นธรมนนธรมชาติที่ตื่นเรือธรรมชาติทั้งต้นเข้าใจนี่เราผู้กําลังประกอบกความเพียรยิ่งให้มีชาตระมหาคุค่าสติเป็นเครื่องตื่นเสมออดทนนักบวชนั่ใช่หรืผู้อ่อนแอ เพราะเพื่อชัยชนะกับกิเลสจะไปวดแยให้กิเลสหัวเราไม่ได้ผิดหลักของพระผิดแล้วลูกศิษฐาโคตรม่ใช่ลิสัยของลูกศิษฐาโคตรจริงจําต่อทุกสิ่งซึ่งเป็นทําเป็นวิ น, นัยและเป็นเครื่องแก้กิเลสมีความจริงจังเสมออย่าลดละทอดทอนเอาแย่ไปแก้กิเลส อันนี้ศาสนาก็เป็นเครื่องสั่งสมกิจเหตนะั่นแะแต่พาลังเข้าใจเอาไว้พราวัตถุมันเหยียบย่าทำลายทำจนจะไม่มีเหลือแล้วเลยนะมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอทรงไม่ได้เราไม่ประมาทผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามความจริงแม้เราเป็นเราก็ยอมครับว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นเราไม่ยกเว้นว่าเรานี่ดีกว่าเพื่อนกว่าใคร มี่กพิจารณาตามความติศาสนากำลังถูกวัตถุทั้งหลายเหยียบย่ำทำลายวัตถุนิยมนอกจากวัตถุนิยมแล้วก<อ>็อารมณ์<อ>ที่เกิดขึ้นจากวัตถุนิยม น, นะะั้นเข้ามาเหยียบย่าทำลายจิตใจเห็นแต่วัตถุทำให้ความเสื่อมไปวันเล็กวนน้อย สำคัญอย่างยิ่งก็คือเงินะนะมันนี่นี่แหละตัวสำคัญสมมติขึ้นเป็นกระดาษเท่ากระดาษมวล บ, บุรีสูงนี่ก็ตื่นกันหลงกันแล้วเราผู้ติดจะแก้ความหลงยังกลับไปหลงอีกเพราะว่ายังเพิ่มความหลงเข้าไปอีกอะไรก็มีแต่เรื่องอย่างนี้เขาออกหน้าออกตา ในวัดในวามีแต่วัตถุกจเป็นเจริญหูเจริญตาของโลกเข้ามาเหยียดย่งทำลายความเจริญแห่งธรรมภายในจิตใจเสียสิ้นเงินทองเข้าของได้มามากน้อยก็มาทับผมเพราะจิตเป็นผู้สอบแสวงหายอย่างนั้นอยู่แล้วชอบพอในจิต น, นั้นอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ไง่ายๆถ้าจิตมุ่งต่ออธรรมอะไรจะมีมากมีน้อยไม่สาคัญจิตไม่ตุ้น จิตแม่เสนติดตรงอยู่กับสิ่งเห น, นั้นแต่จิตมีความส้ามพันเจือเนื่องอยู่กับธรรมทั้งหมอถือธรรมเป็นหลักใจยึดธรรมเป็นหวัวใจสิ่งเัล่นั้นจะกองเท่าภูเขานี่กองมรรคสำคัญอยู่ตรงนี้เนื้อต้องการให้ธรรมเจริญในใจไม่ต้องการให้โลกมีด้านวัตถุเป็นต้นมาจเจริญในใจ ซึ่งเป็นการเด็ด ย, ย่านทำลายจิตใจมามากแล้วธนาวงแค่ปฐุมวัติทั่วหนีงานที่ไหนก็เพื่อเหมือนทั้งนั้นฟังสิงานเพื่อทำมีน้อยไม่ไม่ไมทํา ง, งานเทื่เพื่อทําก็คือการแคที่เดชเพื่อการเดินตะกรมมั่งสมาธิภาวนางานเพื่อทําก็คือความเพียรนั่นเอง นพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านดำเนินมานั่นงานเพื่อไทย<ม>เจส่าลุมานคาฆ่าธันตาตะจกเนี่ยพระโจ้าลังการนัก่าลุมาเจส่าเนี่นี่คืองานของพระนี่นี่คืองานเพื่อแ ก, ก้พิริแท้เป็นงานอย่างธรรมะกรรมฐานห้านั้นท่านยกขึ้นมาเป็นเอกเทศจึงเรียวกว่าเป็นต้น ครอบหมดทั่วโลกกาะถางเยาว่าตั้งแต่ครอบในร่างกายของเราไม่เหลืยังครอบั้งหมดทั่วโลกกระถางดินทั่วดินแดนนี่คืองานขอถอนเจ็ิให้พิจารณาตรงนี้มันติดที่ตรงนี้ปิดใจก่อนอื่นนื mm ้อ hmm. จึงต้องให้พิจารณาตรงนี้มันทําไมมันถึงเตดวินใช้ให้ค้นดูให้เห็นทัดตามความจริงของมันมันติดได้เพราะเหตุไหรเพราะความสําคัญ เพราะความหลอกหลอนตนเองเพราะความเสร็จสรรตนเองโดยหลักธรรมชาติทั้งมันสิ่พาให้เป็นไปเราไม่ตั้งใจเร็จสรรมันมหาเป็นจิตเองปัจจารันจิ้นต้องเอาสายงานอันนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นจากงานนี้เข้าไปแก้กันคือความเพียรความพิจรารณาปัญญาที่แล้ก็ผูกมัดม ก, กับอาการใดซะก่อนเพราะให้เห็นติดตาใจแล้วก็แยกเยอะ ขยายออกไปให้เห็นชัดเจนทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกอืมตับไปใส้กรูงใส้ใหญ่ไส้น้อยที่ใคาดันออกดูเห็นชัดเจนประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วมันจะหลงที่ตรงไหนมีความจรินมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราปรินเกลียวกับธรรมวุฒญาติไปเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชมาเป็นฆาตศึกของพระพุทธเจ้าของธรรมของนิยมของศาสนาเหตุใดเราจรึงต้องไปปรินเกลียวอย่างนั้นความปรินเกลียวคือเป็น เป็นข้าศต่อธรรมต่อวิญญาต่อศาสนาต่อองค์จักรพรรดะอย่างยิ่งก็คือต่อตัวพวกเราผู้มุ่งตอนทำถูกกิเลสหลอกให้ทําลายตัวเองด้วยความเฉื่อยสปั้งยอวันนี่เป็นเรานั่นเป็นพวกเรานั้นตัวสวยมคนหนักคนพิจารณาขี่คลายดูทั้งภายนอกภายในเอานังคลิกขั้นนอกออกเข้าไปข้างในนีแล้วเอาข้างในออกมาดูเป็นยังไง หรือทัเลาะออกไปหมดลกองทิ้งไว้นั้นหนังเรานะั้นี่ยแล้วยังเหลือแต่ตัวของเราอันเป็นอย่ดูกันได้ไหมโลกนี้เมื่อปราศจากหนังแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายสมมติกันไปอีกเสีดสายนั้นให้ว่าชดเชงานก็ได้ไหมมีแต่มเมื่อแรงวันนั้นแหละมันจะมาฉกมินต้อหมหูนี่เพียงนตอนนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วเหีงานท่านเห็นให้พิจารณาอย่างนี้งานดื้อถอนวันตาจักร ยือถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสำคำสัญอยในธาตุยีน้ำลงไปนี้และในขันสีเจตนาปัญญาสกาดวิญญาณอีกพิจารณาเข้าไปพลี่คลาเข้าไปเอาตัดออกเป็นทิ้นเป็นอันหีือกำหนดให้มันเปื่อยผุพังไปทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นที่ยึดกระดูกทุกชิ้นทุกอันเล้ติดต่อกัน แล้วมีหนังชาดทาไว้หลอกตาภายนอกมีเนื้อเป็นที่ยึดไว้กำหนดทำสลายตัวลงไปสิปมีหลังงานเกี่ยสั์มานะขามตาจะตากโจรเป็นต้นนี่กระจ้าไปอย่างนั้นเหมือนเห็นธาัุเย็นด้วยใา จ, จริงๆแล้วนี่เคยเห็นแล้โอ้โหเกิดความ ส, สุขสัางเนานางรือเป็นน้ำตาร่ว่มผลูพลูพวมันเห็นชัดจริงๆในงานมันเห็น โอ้โหเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรออมาเห็นวันนี้เหรออกายมีตั้งแต่วันเกิดเราก็บวชมันมาแสร็จมันทาไมจึงเพิ่งมาเห็นกันวันนี้เห็นแต่ไม่เห็นชัดเท่าไหร่ยิ่งมีความเฉลยอดังเวทความสฉลยดชังเวทมีมากเห็นชัดมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งเบาเบาเบาเบาเบาหิวหิวหิวหิเดิน่ระทั่งสิ่งเหล่านี้กระจายลระจายกรายไปหมด ความเป็นจัดเป็นบุคคลแล้ว น, น้ำผ่านไปลมผ่านไปไฟผ่านไปกลายเป็นดินทั้งแผ่นที่มันเด็กขาออกจากนั้นก็ผ่านอีกดินก็หายเงียบจิต ก, ก็ว่างเกลาไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นโลกทั้งโลกเหมือนไม่มีในความรู้สึกเลยในขณะนั้นนั่นเป็นหลักธรรมชาติที่จิตพุทธนาตายเนี่ยสามารถ ขยายตัวออกจากสิ่งเห่านี้ได้แม้จะช่วงการเวลาไม่ได้ถอดถอนอุปทานจากการนี้ได้โดยตลอดสัวถึงือเป็นสมมติเห็ุก็ตามแต่ก็เป็นสักธิพยานห้าีให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาโดยไม่โดยอัตโนมัติมีงานขึ้ น, น ที่เจอมาทีแรกเอาสัญญาจับซะก่อนเพราะเราไม่มีปัญญาสมันพลที่จะมาเสียแล้วสลับพันเอาสัญญาคาดซะก่อนอาการนั้นอยู่ตรงหน้าอาการนี้อยู่นี้กําหนดไปตามนั้นซ ก, ก่อนเพราะเราติดเราคิดเป็นกิเลสความสํคาค็นมั่นหมายเป็นกิเลสก็เป็นด้วยปเป็นด้วยสัญญาทางนั้นมันจริงเมื่อไหร่มันปลอมเราก็ยังยอมรักมันยอมเชื่อมันจนเป็นกิเลสขึ้นมาได้ นี่เรายอมเชื่อสัญญาความจําของเราความค่าความหมายสังขารความคามิดความปรุงเรื่องธาตุเรื่องขันขึ้นมาเรื่องหนังเรื่องเนื้อเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกขี้คาไปสัญญาหมายไปหมายไปค่าไปลี้คาไปด้วยความมีสติไม่เห็นชัดเจนมันทำไมจะแก้ที่ได้ดไ่ได้สัญญานี้มันก็กลายเป็นมรรคไปแล้วสังขารนี้มันก็เป็นมรรคไปแล้วมันไม่ได้เป็น กิเเหมือนนิมพัญญาขันขานโดยธรรมโดยธรรมดาเข้ามาพิจารณาหลายครั้งแล้วมันจะคาดแจ้งขึ้นมานี่หลังงานของพระเราเหมือนงนอันนี้ชิ่นสุดไม่เขารู้คือการนี่เวลาพิจารณารอบตัวพอแล้วอุปทานถอนโดยประการทั้งปวงจากการนี้แล้วมันจะดยุดทันทีการไม่หมดความหมายในการพิจารณา เหมือนกับเรารับทานอิ่มแล้วเช่นข้าวรับทานอิ่นเนี่ยพอตัวแล้วไม่สนใจจะรับอะไรมันสนใจอะไรเป่นหวานเอามันก็ดื่มจิตใจมันดูดดื่มเท่งนั้นเอารับอันนั้นรับหวานหวานก็พอเอายังอะไรอีกดื่มน้ําเหรอเอน้ำเอาดื่มไปเมื่อพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอหมดต่อยโดยว่าการรับทานอื่นแล้วเป็นที่ต่อยโดยประการทั้งฝ่วงทั้งหวานทั้งขาวทั้งน้ํา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารแล้วปล่อยหมดในเวลานั้นนี่เรามาเทียบเป็นการเป็นเวลาส่วนจิตนี่เมื่อได้รอดจริงๆแล้วมันถอนไปนโดยสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาอยากมาหิ้อีกมันน้างการแต่อันนี้เราบอกเป็นเครื่องเครื่องเทศอย่างละเมื่อพอส่วนร่างกายแล้วมันถอนเองไม่เอาแล้วเมื่อไม่เอาแล้วมันมันไปเกาะ อ, อยู่อะไรคือร่างกายไม่เกาะ อ, อุปท า, านมันถอนหมดแล้วรู้เท่าทันหมด ปจัจจันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องเวทนาซึ่งเป็นนามธรรมสัญญาทั้งขามันเด่นตรงไหนออกตรงนั้นในอาการทั้งกี่อยู่เวทนาสัญญาทั้งขามีอินญาเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจำหน้าหมายรู้ทังขามความคิดความปรุกอิญญาความรับร่ามันถนัดกับอาการใดในสี่อาการนี้มันก็ซูมท่าของมันไปมันจะ ทัว พ, พั น, ปปนพธ์มนเปลพิจณาตามนั้นพิจาณาเข้าไปที่หนาวไปนั้นก็หมุนก็ประหาใจอะไรี่เพราะสิ่งอย่านี้มันมาจากใ จ, จเป็นเจ้าของศูนย์กลางของมันอยู่ที่เรียกว่าศูนย์กลางโทรศัพท์หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปอันนี้มันก็เหมือนกันอีกเมื่อรู้ชัดแล้วมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องวิถนาเดี่ยวก็เรื่องถากเรื่องขัน มันเป็นมีเจินนาดิคาในจิตโดยเฉพาะสุขเวทนาเป็นสิ่งที่เด็นมากแต่เวลาการคิดนิพิจารนามากมากมันก็ทำให้อ่อนเพียในจิตนั่นกันรู้สึกออนเพียมันก็เป็นทุกขเวทนาละเอียดขึ้นมาหนันก็ทราบตามกันไปตามกันมาด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ด้วยความดุเดือดของจิตมันเหมือนกับไฟได้เชื้อมันันสัมผัสไปตรงไหนมันก็ตามไปตามไปจิตขั้นนี้มันเป็น จิตขั้นอัตโนมัติเมื่อเมื่อมันผ่านร่างกายไปแล้วแม้เป็นในขั้นร่างกายมันก็อยากจะเรียกใหว่ามันเป็นอัตโนมัติมันแล้วเพราะแต่มันผ่าถอนมากทีเดียวมันกำน้ำไหลโจรมาจากภูเขาเอาตรงนี่ไหลลงจากที่สูกศปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายมันมันบุนแดดมันผ่าถอนแต่ขั้นอาการสี่คือ พวกนำ้มาทำสีนั้นมันละเอียดแต่ยังไงก็ตามมันเหมือนกำนั่งนัำน้ำสีมันขี้มันคายมันสอดมันซองมันแยกคลายมันอะไรีพูดไม่ถูกเป็นอยู่เลยธรรมชาติอัตโนมัติทั้งเป็นแล้วสุดท้ายมันก็รู้หมดนือรู้เหมือนกันกับร่างกายนี้รู้ชัดมันก็ถอนตัวอีกอือโอ้โหเนธนะมันเป็นเราเป็นของเราได้ ทั้งฝ hmm. ุ่นท no, ั้งพวนี้ยมันมีจะเกิดกำดับเท่านั้นนี่ยป็นรลักษณ์รลักที่เข้าถึงใจจริงๆมันไม่เหมือนไตรัก์ที่เราท่องระบุมาเป็นความจํานะมันซึ้งเนีถอนจุลินทีย์ได้ด้วยความกินนั้นด้วยความซึ้งนั้นรู้มีความหมายอาการทั้งฝีก็หมดความหมายไปค่อยดูตั้งแต่ความกระเพื่อมของจิตนะ แวลาละเอียดเข้าบกพรอยอะไรก็เลยพิจารณาไม่ตามพิจารณาพอมันปรุงแคบมันก็หนักไปพร้อมเสียเราจะเอาอะไรมาพิจารณาพอเรารู้เรื่องมันแล้วว่ามันปรุงขึ้นมาหลอกเราเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมันก็รู้ทั้งหมดมันออกมาจากนี้เป็นผู้หลอกมันก็เป็ายหนังเราไปดูตั้งแต่นุ่นผ้าขาวที่เขาเรียกว่าจอแจเจยเราไม่ดูต้นเหตุที่เขาฉายไปนี่มันฉายประจักรมันมีภาพมันอยู่ภายในกล้องของเขานีเนี่ย มันมารู้ตรงนี้เสียมันจะไปสนใจดูอะไรผ้านโน้มันมารู้ตรงนี้ช้าตรงนี้เมื่อนี้มันดูแล้วอันนั้นมันก็แสดงไปอย่างนั้นมันรู้แล้วมันก็ไม่ไปดูที่จอหนังมันก็ดูตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วปล่อยตรงนี้เนี่ยตอนนั่นกับภาพกล้องมัข <c oughs> <c oughs> ึ้นภับกล้องคือวิชาอยู่ในนั <c oughs> ้นภาพมัแหลกเลยหมปัญหานี่แหละงานของ พระเราที่พระพุทธเจ้าสมมอบให้งานของาท่านตําเนินงานท่านท่านทั้เห็ดลงในจุดนี้งานเริ่มแรกเรษาลงมาน้ขาต้นตาตัดติคนอันดับต่อไปก็เข้าไปถึงวิปนาสญาสขานิยานอันดับสุดท้ายก็จิตกับอวิชขาแลกลงไป ไ ม, มีจิงเลยไปทั้งทั้งนี้ไปตั้งแต่อาการทั้งห้าตจาตจากักปัญจปัญจกมาฐานมีเรียกว่างานของผู้ปฏิบัติว่าความรหลุดพ้นจากทุกโดยถ่ายเดียวยาปล่อยงานอันนี้เป็นอันขาดฐ า, านที่ทำ ง, งานพระพุทธที่จะกอทรงสัมผัสได้แล้วฐ า, านที่ใดเหมาะสมโดยท่านยกลุคโมรเชศนาสนัง ทีชาติตา ป, ประชาตาเฮเทยาสิยงช้างหกไนี่ขึ้นเป็นจุดกลางอันนั้นก็อตาเลกาาโพนี่ที่มันเหมาะสมที่ตรงไหนอะไรกับว่าไปบางต้นบาบอกลุกขโมยหรือลบหมายนี่คือสถานที่ทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์ให้รุ่งร่วงพระฤกความราบลื่นปราศจากอุปสรรคใด เรานั่นไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นข้อหนักแน่นในหลักศาสนาสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อรื้อถอนที่เด็ดศาสนามันเป็นแต่ของปลอมทั้งนั้นที่มันมาเป็นตัวจริงเด่นอยู่ในวงศาสนาจนกระทั่งเหยียบย่าศาสน า, แ ล, านนแล้วท่าเน้นเราแหลกไม่มีส่นใดเหลือที่มองเห็นรูปความจริงอยู่เลยคืออะไรเือแต่ของปล อ, อมทั้งนั้นของจริงก็มีเท่านี้อันพิจารณานิเป็นเท่าไร ไม่กล้าไม่จงทํำว้างขวางอะไรให้ลําบากพอจะลําบากลำบนุนอะไรมากแก่พวกเราอยู่สงสารกระจะบรรยา ก, ก, กาศกรรมฐานหรืออาการฐานที่สอง ห, หพิจ า, ารณาอาการฐานที่สองนี่หลัก ส, สัจะทําอยู่ตรงนี้กองกิเลสอยู่ตรงนี้สติปัฏฐานสี่ก็อยู่ตรงนี้ใหพิจารณาลงตรงนี้ไม่ต้องไปให้ชื่อเหรือเรื่องสติปัฏฐานสี่นั่นเป็นชื่อกิเลสจริงๆมันเป็นอีกอัน คำว่าพิเรกก็เป็นชื่อให้พิจารณาความโลภคําว่าโลภนี้เป็นชื่ออืนน่นทิฏยาแห่งความโลภนั้นนะ่ะที่แสดงตัวอยู่นั้นนะ่ะนั่นน่ะคือพิเรกแสดงความอยญ่ออกมาแสดงความมุ่นหนีออกมามันเป็นความโลภนี่ยี่คือพิเรกแทะอยู่ในวงสติปัฏฐานสี่อยู่ในอริยสัจสี่ซึ่งมีอยู่ในกายขา้างหลังท่านจึงสอนเพียงตรจัจกรรมา บรรยกาศมาตฐานนี้เท่านั้นมันก็ครอบไปหมดเพราะหนังเป็นประโยกใหญ่มากครอบหมดทั้งร่างมนเรื่องเขาจุดไฟนะเขาจุดที่เดียวเท่นั้นะเชื่อมีเหนี่ยมันก็ลุกลามไปได้หมดกันนีน่เราก็จ่อลงไปตรงนี้เชื่อไฟคือคุณธรรมฐานห้าอาการใดอาการหรือทุกอาการก็ตามแล้วแต่ความถนดัดนี่คือเชือ้อ แต่ปฏิธรรมที่จะแผดเผากี่เละไปด้วยได้ที่นั้นสถานที่ก็ดัทงที่ว่าแล้วนั้นนั่นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมเป็นสำนักงานของพระธรรมฐา น, นของพระสาวกท่านสำนักงานของศาสนาการทำอย่างนั้นวิธีการท่านทำยังไงท่านก็สอนแล้วมัชฌิมาปฏิปัฏฐานนั่นคือวิธีการตั้งแต่สมม า, ม า, มาทิฏฐิสัมมาทังกัะโปร แสดงกิยาไปเป็นการเดินกรมนั่นสมาธิภาวนาอันสำยุ้ยด้วยสติปัญญาสมาธิกลมคขมันไปกับสัจรธ ร, รําทั้งสี่นี่สมบูรณ์เต็มที่แล้วกิเลสมันจะหนานแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ทนต่อสติปัญญาที่ฝึกฝนมาอย่างเต็มใจลน่น่าทะลุไปหมดเลยมีกินดได้เหลือนั่นแหละนันหมานัดถี่สังปติประดังสุขนังทุกอื่นได้ยิ่งกว่า ความสงบที่เพราะการสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี้ไม่มีนี่เอาตรงนี้น้าถิสันติประดามุขลมจุดนี้แล้วเป็นนัตติสันติประดามุขอย่างเต็มผู่นี่แหละมาเป็นสุขในสมาธิความสงบในสมาธิมาเป็นกั้นขันดีมาดีมาแล้วมาถึงขันสันติเพราะกิเลสดับไปหมดเป็นสันติอันเต็มผู่ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติพิจารณาให้ถึงจัดสมกับธรรมะพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญแต่รู้มาโดยลาบากเหลือประมาณรบถึงสามผถึงได้เป็นพุทธิจ้าที่ไม่รู้ธรรมเหล่านี้มาแจกจ่ายพวกเราด้วยพระเมตตาสุดสวยไม่มีใครเสมอในโลกนี้ขอให้เห็นพระไทยพุทธเจ้าเห็นใจของสาวะอ่ละตอนนี้ไปท่านปัญญาที่า